รวมทั้งโพริษาสตร์เองด้วยในครั้งนี้คือพระเจ้าสุตสมโอรสแห่งพระเจ้าโกรัพยยแห่งนครอินทปัตแควนกุรุหากเธอใครจะให้ชีวิตกษัตริย์ทั้งหลายปลอดภยัยก็จงบอกแก่โพริษาสตร์ว่าการทำปรีกรรมนั้นต้องนำพระเจ้าสุตสมมาด้วยรุกขเทวดารับเทวบัญชาแล้ว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 เมรุบรรพศจะพึงล้มราบลงข้าพเจ้าจะพูดเท็จไม่ได้แม้พระโพธิสัตว์จะตรัสอยู่อย่างนี้โจรโริสัสถก็ไม่เชื่อลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงดําริว่าโพริสัสถนั้นไม่เชื่อเราเราจะให้เธอเชื่อด้วยคําสาบานและตรัสว่าดูก่อนสหายโพริสัสถท่านจงให้ข้าพเจ้าลงจากบาก่อน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 ของพระกัสปะทศพลเราได้ทํากิจที่ควรทําเรียบร้อยแล้วเชิญสหายฆ่าเราบูชายันตามประสงค์เถิดโจรปริศาสตได้สดับดังนั้นจึงคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่กลัวไม่หวาดหวั่นต่อมอรณะภายัยองค์อาจยิ่งนักนี่อนุภาพอะไรหนอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอนุภาพแห่งคาถาที่สดับมาเราจะลองถามดู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 สตารหักจากท่านก่อนพระโพธิสัตว์ได้สดับดังนั้นจึงดำริว่าโปริศาสต์นี้เป็นคนบาปเราต้องข่มให้เธอเกิดความละอายใจเสียก่อนแล้วจึงจะแสดงคาถาให้ฟังดำริดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนโปริศาสต์ท่านเป็นคนประพฤติไม่ชอบธรรมต้องจากแคว้นก็เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง